เคสตัวที่วันไี้ไป็นเคสที่เก้าร้นเคปดสิบหนึ่งนี่เกือบพันพันเคสละครับฉันมันดื้อ ลูกเข้าวัดครั้งแรกมื ป, ปลายปลายปี2528ปกี่ปีมาแล้ว21ปีลูกโชคดีมากค่ะที่มาทางคุณยายมีโอกาสได้ไปคาราคุณยายทุกอาทิตย์ก็ได้ร่วมทำบุนต่างๆเช่นบึงกะถินยักษ์กะถินใหญ่สร้างสภ้อาสร้างพระสมการจำตัวสมาวิหารพระมงคลเทพโุนีสมาวิหารพุะอาจารย์ สร้างลานทำซื้อที่ดินสร้างเจดงกษัตริย์ปลูกตนกับระเบิดโกรธสบายทองคำพอหร่อรูปเหมือนพระมงคลเทบุนีและบุญกะินพระราชบุญที่ลูกปลื้มสุดๆก็คือบุญกะถินยักษ์ถินใหญ่ลูกได้เทเงินหมดกระเป๋าเลยลูกภูมิใจมากเพราะได้มีโอกาสทำบุญใหญ่กับปุญญาจารย์บุญสาวิหายปุญญาจารย์ลูกก็ตั้งใจทําสุดๆเลยค่ะลูกกล่าวก็ไม่ตั้งครูไม่ใหญ่ฝันในฝันเรื่องของลูกด้วยนะเจ้าคะ สมัยที่ลูกเด็ก ว, วัดแรกๆเนี่ยลูกเด็เป็นหนึ่งในวงคอรัสวงธรรมคีตาได้ขึ้นร้องเพลงธรรมะในเทศกาลปีใหม่ลูกเคยอบรมธรรมทาญาติหญิงรุ่นที่ห้าตอนอายุยี่สิบหนึ่งปีเห็นเข้ า, เารูปญาติที่เสียชีวิตไปแล้วไปให้คุณยายช่วยลูกเอามั่งแต่มาทราบภายหลังจะป้าวินว่ามันเป็นบาปจะไปใช้ผู้มียาน ก, ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่ในโลูกเนนำระโอษฐพิชาคนที่เจยดซึ่งเสียชีวิตไปตอนเดกอายุสิปีเพราะถูกไฟฟ้าช็อตไปให้คุณยายช่วยหล mm hmm. ังจากที่ลูกนำพระโอษฐ์พิชาแม้คุณยายดูคุณยายก็บอกว่าไปเป็นอสูรกาย oh. คุณยายก็ได้เมตตาช่วยพี่ชายได้ไปอยู่บนสวรรค์ oh. พิชาคนนี่เป็นคนดีรักพ่อแม่เขตนี่สองหลังจากที่เขาเสียชีวิตพิชาก็ได้มาเข้ฝันวิศาคนที่สอง ถามาจัดงานมันเกิดในเขาเหรอหลังจากพิชัยเสียชีวิตไปได้สี่ห้าปีแม่ก็เลยไปพบกับร่างทรงคนหนึ่งอยู่แถวอรรัตถ์ร่า ง, ง, งทรงก็เลยทำพิธีเรียกวิญญาณพิชัยมาเข้าออร่างแม่จึงถามพิชัยในร่างทรงว่าทําไมถึงไปเร็วนักพิชัยตอบว่าก็บเ ข, อ ข, อขอาทำบุญมาแค่นี้และบอกอีกว่าอยู่เนิ่นเขาต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเหมือนกัน มีอยู่ครั้งหนึ่งลูกก็ได้ไปกราบคุณยายพร้อมกับอีกหลายคนคุณยายก็ได้พูดขึ้นว่าอย่าแต่งงานนะเดี๋ยวไปเจอคนเจ้าชู้นี่คิดเล่ามาว่าคุณยายจะลําบากขณะนั้นมีหญิงสาวอยู่ด้วยกันสามคนรวมตัวลูกด้วยคุนป้าหมอลักณาซึ่งอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยจึงเอ่ยถามคุณยายว่าว่าคุณยายคือคุณยายรู้จักเด็กคนนี้เหรอหมายถึงตัวลูกคุณยายก็ตอบว่าเออเห็นมันมานานแล้วสงสารมัน แต่ไม่ทร า, ากรรมอะไรมาบังพลูกฟังแล้วก็ยังไม่เข้าไปอยู่ในใจไม่เข้าใจเลยค่วบอคปัญญากางสอนตัวลูกอันที่จริงนะลูกก็ไม่เคยคิดที่จะแต่งงานหรอกค่ะแล้วลยังกลยพูดกับพี่สาวด้วยความหนักแน่นว่าจะไม่แต่งงานจะไม่แต่งงานพูดไปเรื่อยๆรื่อจนวันหนึ่งลูกก็ได้พบกับผู้ชายแปลกหน้าอืม ซึ่งขนนำของมาส่งให้แก่แม่ค้าที่โรงเรียนซึ่งตัวเล็กเองเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่โรงเรียนนั้นขนาดนั้นลูกอายุ22ปีไม่ทราบเป็นเพราะวิบากกรรมใดพอเห็นปุ๊บลูกก็ลืมมโนปริทานเดิมยุ่งโมซิมที่บอกว่าจะไม่แต่งงานก็เป็นจะแต่งงานรู้สึกปิ๊งกับคุณมาเตนทีแบบไม่มีข้อแม้เงื่อนไข แต่พระเทพบุตรนั้นเขาไม่ได้ชอบลูกหลอกนะคะลูกจึงเพียงพยายามเอาอกเ อ, อ, อาใจเขาทุกอย่างรดยการถักมอนไปให้บ้างาทำนั่นทำนี่ไปให้เขาเรื่อยๆ เ, <อ>เขาก็อ อ, ออออออออแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจในตัวลูกเลยแต่ลูกก็สิ มันยังดื้อยังดื้อที่รักเขาต่อไปค่ะต่อมาลูกก็ทราบจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาบอกลูกว่าเห็นวิชาคนนี้ได้ไปเฝ้าดูผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ข้างบ้านเธอเลยข้างบ้านเด็กนักเรียนบลลังลูกจึงถามเขาไป ต, งตรงๆว่ามีแฟนแล้วเหรออืมเขาก็ตอบอย่างแน่นว่ามีแล้วลู ก, กรู้สึก อ, อกหัก ไม่กล้าไปชอบใครอีกอาจะสมน้ำหน้ากับกูจะมีวิบากกรรมจะสมน้ำข้างก็ยังมีอยู่หน่อยๆเอาว่าระวางอุบเบกขาดีกว่าเพราะไม่ใช่เป็นเรื่องภาษาศาสนาอันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วจานั้นเขาก็หายไปเป็นปีๆแล้วก็กลับมาใหม่แต่คราวนี้ เขามาจีบลูกอ้าเพราะแฟนนี้ก็าไปเฝ้าอยู่นั่นนะได้แต่งงานกับคนอื่นไปแล้วนี่อมอขอปลอมมีคนเอาไปแล้วในสุดลูกกับเขาก็ได้แต่งงานกันแต่เขาไม่มีเงิน ลูกจริงใช้เงินของตัวเองเป็นค่าสินสอดทองมั่นอย่ทั้งหมดจริงอย่างคุณ อ, า, อาจา์ว่าค่ะเริ่มแต่งูกกก็ลำบากแล้วต้องใช้เงินตัวเองเป็นค่าสินสอดทองมั่นูยังกันในอินเดียเนี่ยฝ่ายหญิงก็จะต้องเสียสินสอดทองมัน่นฝ่ายชายเออหลังจากแต่งงานแล้วลูกก็นึกว่าเขาจะให้ลูกเก็บเงินปรากฏว่าเขาไม่เคยให้เงินลูกเลย บางครั้งจะเอาเงินของลูกไปอีกด้วยเวลาพูดเรื่องเงินก็จะทะเลาะกันทุกครั้งเขาก็จะพูดว่าเราอยู่กันด้วยใจไม่ต้องเอาเรื่องเงินมาพูดแต่ความจริงมันอยู่กันด้วยปัจจัยจะด้วยใจอย่างเดียวไม่ใช่บ้านตั้งเช่าเขาอยู่แล้วเ้าจะไปบอกเจ้าของบ้านว่าเราอยู่กันด้วยใจ เขาก็คงจะไล่เราออกจากบ้านลูกจะเป็นฝ่ายเสียค่าเช่าอยู่ไม่ได้สองปีลูกจึงคิดหาวิธีที่จะทำให้เขารับผิดชอบโดยเอาเงินตัวเองหนึ่งแสนไปดาวบ้านกลับไเขาเป็นคนส่งสรุปแล้วลูกก็ต้องเป็นคนส่งเองช่วงนั้นก็มีลูกหนึ่งคนสามีไปทำงานเป็นผู้จัด ก, การและมีหุ้นส่วนที่ราชบุรี เงินที่เขาเอาไปลงทุนลูกก็ต้องไปกู้มาให้สามแสนสามีของลูกไปว่าจ้างคนมาทำงานแล้วก็ถูกคนนั้นโกงเงินไปครั้งละหกมืนบากแปดมืนบากต่อมาอีกหนึ่งปีปรากฏว่าเงินในบัญชีของบริษัทหายไปเป็นแสนคุณส่วนยังให้สามีลูกกลับกรุงเทพเพื่อหาเงินไปใช้หนี้ สามีก็ต้องมาขับแท็กซี่จากผู้จัด ก, การม า, มาขับแท็กซี่ระหว่างนั้นลูกก็ิดตั้งท้องลูกคนที่สองสามีบอกว่าอยากวิ่งรถค้าของเก่าเราจะไปกู้เงินมาซื้อรถให้เขาโดยนึ ก, กว่าเขาเนี่ยคงจะดีขึ้นสรุปแล้วลูกต้องรับภาระใช้หนี้ห้าหกแสนบาททั้งค้าผ่อนบ้านผ่อนรถลูกยอมทุกอย่างเนี่ยเพราะ รักเขาจะพอเขามีรถเขากลับไปรับส่งผู้หญิงอื่นกระย้ายบอกกัแล้วไงแล้วเป็นไงเป็นไงมีผู้หญิงอื่นเมาแทนที่ลูกสุดท้ายลูกอาจารย์ใจตั้งเลิกกับเขาหลัจากเขาไม่เห็นความดีขงลูกแล้วยังพูดซ้ําเติมลูกว่าตูตูอยู่กับกับกะตูกะสู ตู้อยู่ก็สูงมีแต่จะเป็นหนี้ลู ก, กรู้สึกทางรักทั้งแค้นสุดขีดเลยก่แค้นสุดขีดแต่เพื่จะแค้นสุดขีดแต่ลูกก็ยังหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาคืนดีนคือเอาความดีนั้นมาคื น, น <laughs> หลังจากเลิกกันไปดิสารสี่เดือนวันนึ้งก็มีคนแนะนําให้ลูกนะ ไปหาหลงปูรูปหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์ท่านกะทักว่าสามีโดนของผู้หญิงเอาไปจำเดินที่กินแต่บอกให้ไปเอาเสื้อผ้าเข้ามาจะแก้ให้เขาลูกสาว่าเขาถูกผู้หญิงทำของความแค้นที่มีต่อเขาก็เปลี่ยนไปเป็นความสงสาราอืเออใช้เทคนิคนี้ก็ดีเหมือนหลังจากนั้นลูกก็ว่าใจนักสื็ตามหาเขาจนพบ แตไม่สามารถเอาเสื้อผ้าเข้ามาได้ลราก็ไม่ละความพยายามเด็ดเดินทางไปประเทศเขมรด้วยความยากลํำบากเพื่อหาหมอศัยศาสตร์เก่งๆที่จะมาแก้เขาได้หมอก็แก้ให้แล้วก็บอกกับลูกว่าพอกลับถึงตัวเมืองให้โทรคุยกับสามีของลูกลูกก็ค้านหมอว่าเขาไม่ยอมคุยหมอก็ยืนยันว่าคราวนี้เขาจะพูดด้วย แล้วเาก็พูดเจริงๆอ่ะจากนั้นมาลูกพยายามโทรหานัดไปทานอาหารกันเรื่อยๆแต่เขาก็ยังกลับไปหาผู้หญิงคนนั้นตกไปยังอะไรวอนไม่สัง่งตีหนึ่งตีสองลูกจะว่าจา้างแท็กซี่ทุกวันไปพาไปที่บ้านเขาเพียงเพื่อไปแอบดูแค่เห็นเขาอยู่เป็นสุขอยู่ดีมีสุขเขามีความสุขแล้ว แต่พอเวลาผ่านไปดูไ ป, ไปบ่อยๆเขาลู ก, กเริ่มคลายความรักที่มีต่อเขาเพราะเวลาพบกันแต่ละครั้งเขาไม่จะโทษเราเป็นความผิดของลูกเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือเขายังพูดาพาดพิงถึงวัดพระธรรมกายในทางไม่ดีอยู่เสมอลูกเลยคิดว่าป่วยการที่จะรอผู้ชายคนนี้แล้วเขาไม่เคยนาความชื่นใจมาให้แก่ลูกเลยลูกจึงค่อยๆคลายความผูกพัน คลายความรักที่มีต่อเขาค่ะลูกจึงค่อยๆ ค, คลายความรักที่มีต่อเขาค่ะจนมั่นใจว่าแม้ไม่มีเขาตัวลูกเองก็สามารถอยู่ได้ลูกทํางานหนักเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าบริหารเงินไม่ใช่นี่หลายแสนที่เป็นอยู่ที่จอยู่ตัวคนเดียวก็ไม่เป็นนี่หลอกนะครับมีอะไรได้วันละไม่ต่ำกว่าสองหมืบาทแต่ก็ไม่เหลือเลย รที่ลูกซื้อเงินผ่อนไว้ก็ไม่มีเงินส่งต่อบ้านที่ผ่อนไว้ก็ถูกเขายึดคืนสูญเสียงเงินไปเกือบล้านบาทลูกอดทนทางานหาเงินใช้หนี้จนกระทั่งหมดหนี้หลังจากนั้นลูกก็ผ่อนรถป้ายแดงหรังนี้สามีเริ่มมาหาลูกบ่อยขึ้นเพราะเห็นรถป้ายแดงแต่มาเขาตามลูกมาวัดพระธรรมกาย แล้วก็บอกเขลูกว่าดาริง้งตัวเองเขาอยากกลับมาอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ลูกไปแค้เขาแล้วลูกอะรยื่นเขาเสนอว่าถ้าเธอจะอยู่กับฉันต้องบวชก่อนอและบวชที่วัดที่เธอพูดผ่าดพิงถึงเลยในทางที่ไม่ดีต้องวัดนี้ด้วยเขาก็ แปล ว, ว่าต ก, ตกลงเขาบวชที่วัดปฐมกายหลังจากศึกมาเขาก็ไปรับลูกคนเล็กซึ่งฝากแม่และน้องสาวของลูกเลี้ยงให้พากลับไปอยู่ด้วยกันต่อมาก็มีคนมาทักว่าลูกกับสามีต้องแยกบ้านกันอยู่ถึงจะอยู่ด้วยกันยืด <laughs> ซึ่งต่หลังก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเลยค่ะเพราะสามีได้ไปเช่าห้องอีกห้องหนึ่งอยู่คนเดียว เขาปลีกวิเวกและเขาจะไปไปมามาระหว่างสองบ้านนี้แต่ค่าจะจา่ายต่างๆในบ้านลูกก็ยังต้องเป็ฝ่ายหามาใช้อยู่ดีเงินของสามีนั้นก็ได้อาศัยแค่ค่าน้ําค่าไฟค่าเทอมหรือลูกเท่า น, นั้นและลูกสังเกตว่าสองสามปีที่ผ่านมาหลังจากที่สามีกลับไปอยู่ด้วยการงานการเงินของลูกเริ่มสะดุด ไม่ดีเหมือนตอนที่เลิกกับสามีไปอะไรจะขนาดนั้นสำหรับลูกในตอนเนี้ยหวังแค่ให้เขาดูแลหัวใจกันบ้างเท่านั้นก็พอใจแล้วค่ะอขณะนี้ลูกตั้งใจจะไปอเมริกาค่ะโดยจะทําเรื่องกู้เงินเพื่อจะไปต่างประเทศซึ่งทุกอย่างก็สําเร็จแล้วอรอวันที่จะไปอย่างเดียว สาเหตุที่ลูกอยากไปก็มีสองอย่างคือในชีวินี้ลูกปรารถน า, ย, ายิ่งๆที่จะนำเงินมาทำบุญกับหลวงพ่อให้ได้อย่างน้อยหนึ่งเอ็มสาธุปฏิบายมาลูกเคยทำแค่หลักเอสเท่านั้นสุดิ้ายนั้ก็คือลูกยังไม่มีบ้านมปของตัวเองจึงอยากได้เงินมาซื้อบ้านค่ะก็ขอสมบังดังใจนะจ๊ะลูกชายคนแรกของลูกลูกสังเกตว่า เอตั้งท้องเขาฐานะกระยำแย่ลงและตั้งแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในท้องพอตัวลูกเองรู้สึกหิวจะต้องรีบลงจากรถไปหาอะไรทานนันทีพอลูกรู้สึกหิวแล้วต้องรีบลงจากรถไปหาอะไรทานนันทีตั้งเดี๋ยวนั้นนันทีและกันที่เขาคลอดออกมายังไปถึงเดือนหากลูกป้อนนมช้าขนาดไปถึงเดือนนะเขาจะงอนสะบัดหัวไม่กิน สักพักหนึ่งเนี่ทนอดผือหขายจิงยอมกินแต่กินไปยุไปถึงเดือนก็บ่นงุ่มงำงุ่มงำอะไรจะขนาดนั้นแล้วลูก oh. พอเขายุดได้หกเดือนตัวลูกจะตื่นลงมาทำกับข้าวที่ั้นข้างง่างเขาก็ตื่นก็คลานออกจากห้องร้องหาแม่หลังสองของลูกจะไปอุ้มก็ไม่ยอมเขาจะเอาก้นกระแทกบันได ให้แม่คือตัวลูกขึ้นไปอุ้มเอาก็เขารักแม่เขาลูกแ ม, ลกแมนะ่ลูกก็รู้สึกว่าเขาจะเอาชนะแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนกระทั่งโตคิดไปเองมก็ตอนออกไปใหม่มาม่วงยังไม่ลืมต้นเคยอยู่กับแม่นะเนี่ยไอ้ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่ลูกเราคิดว่าอดีตเจ้าลูกเด็ติดค้างอะไรเขาอยู่หรือเปล่า นิสัยเขาจะเข้ากับพ่อของเขาได้ดีมากอ่าอ๋อกำลังหาที่ลงลันเวลันเวอีกทั้งหน้าตาเขาก็เหมือนพ่อเข้ามากพ่อซึ่งแม่เขาเลือกมาเองจากคนนั้งหลายพันล้านคนแต่ถึงอย่งางไรลูกคนนี้เขาก็บวชให้แม่อยู่สองครั้งค่ะอ๋ะอก็มาสรุปว่า ถึงยี่อะไรเขาก็รักแม่เห็น ไ, ไหมจ๊ะเขาบวชสองครั้งให้แม่เนี่ยเพราะเขารักแม่ทั้งหมดมาคือเขารักแม่แหละคำถามกรลังได้ท้ายพิชางลูกถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตทําไมหลังจากพิชายเสียชีวิตสองวันจะมาก็ฝันถามวิสาว่าจัดงานมาเกิดได้เขาเหรอแล้ว ต, ตอนที่แม่ไปหาร่างทรง พิชายได้ไปเข้าออร่างทรงจริงหรือไม่คะทำไมพิชายจะไม่เกิดเปด็นอสุลกายคะบุญใดช่วยพิชายได้ไปอยู่ถึงดาววดึงคะปัจจุบันนี้พิชายเป็นอย่างไรบ้างคะการที่เรานํารูปญาติศรีชิตไปแล้วไปให้ผู้มีา ญ, ญาณเชิงกุญายอาจารย์เฉลือเป็นบาปหรือไม่คะบาปจะแก้ไขอย่างไรคะการใดทําให้ลูกจะมาแต่งงานกับสา ม, มีคนนี้ ทั้งที่ลูกน่าจะแคล้วคลาด จ, จากเขาไปตั้งแต่แรกแล้วลูกกับสามีเคยเกี่ยวพันกันมาอย่างไรเราจึงรู้สึกรักเขาทันทีที่แรกเจอทํำไมลูกจึงต้องมาเป็นทุกข์เพราะถูกเขานอกใจเขาได้ถูกจร้หญิงคนนั้นทําคุณใส่ใส่ใช่หรือไม่คะเพราะเหตุใดคะลูกกับสามีจึงอยู่ร่วมชายขาเดียวกันไม่ได้ต้องแยกบ้านกันอยู่จึงจะอยู่ด้วยกันยืด ทำไมลูกจึงพึ่งพาสายเงินตอนจากสามีไม่ได้เลยแถมลูกยังต้องมาลำบากในการหางานมาจดใช้หนี้สินเพราะเขาแล้วทำไมเมื่อมีเขาอยู่การเงินการงานของลูกจึงไม่คล่องตัวเหมือนตอนลูกอยู่คนเดียวคะบุปลกรรมใดทำให้ลูกมีรายได้มากแต่กําหมดประ ก, การใช้หนี้อย่างไม่รู้จบปัจจุบันยังต้องเป็นหนี้โดยการกู้เงินธนาคารเพื่อเดินเรื่องไปอเมริกา ลูกสาวก็เมตตาครูใหญ่ช่วยชี้แนะว่าลูกควรไปอเมริกาหรือควรจะอยู่ที่เมืองไทยดีคะเพราะเหตุใดพ่ออภรรตลูกชายคนแรกเกิดฐา น, นคะครอบครัวก็ย่ำแย่ลงโดยเฉพาะคนนี้เคยเกี่ยวข้องกับตัวลูกและสามีไปอย่างไรคะทำไมชาตินี้เขาจึงมีหน้าตามีนิสัยเหมือนพ่อของเขาและสุริยศาสายกับพ่อของเขามากแต่กับตัวลูกทําไมเขาจึงมีนิสัยชอบเอาชนะตัวลูกมาตั้งแต่ยังอยู่ในท้องฮะ อะไรอาจจะชนะแม่แต่อยู่ในท้องนะแม่อาจจะบอกอย่าดิ้นแล้วเขาดิ้นมั้งอย่ยัายยานแล้วเขายานันมั้งไม่ครูไม่ใหญ่ว่าลูกต้องไปเช็คเช็คสักหน่อยแลนะแต่ก็น้องสามลูกลูกชายคนเล็กจะกลัวเกรงใจมากเขาเคยเกิดเป็นแม่ลูกกันมาหรือไม่คะ ทะลุสามีและลูกชายทั้งสองเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทะลกสามีผลกรรปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรความมาเกิดทุกคนมาจากที่ไหนคะลราเคยพาลูกชายกันตัวไปกระลาภุญยายอาจารย์ตอนยุทสามขวบยายบอกฝากเลี้ยงไว้ก่อนนะหมายความว่าอย่างไรคะลูกชายและลูกทั้งสองจะได้บวชอุทิศชีวิตให้กับพระศาสนาตามที่ลูกปรารถนาหรือไม่คะอืม จำเรื่องราวและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเตุวมีตาเติ่นขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังนิย า, า, รารกรา์บรากรันจ้าพี่ชายถูกไฟฟ้าช็อตตายเพราะก่อนเมื่อเกิดในชาตินี้มีนิสัยชอบเอาไฟฟ้าช็อตปลาไป น, นำมาเป็นอาหาร แล้วก็เด็ดตาย้วกการถูกไฟฟ้าชอด ต, ตายเหมือนชาตินี้จ้าห<อ>ลังจะกพิชายตายได้ดสองวันพิสาวฝันว่าพิชายมาถามว่าจัดงานมันเกิดให้หรือนั้นก็เป็นเรื่องจิตนิวรณ์ของพิสาวจ้าการที่แม่ไปหาร่างทรงนั้นก็เป็นเรื่องร่างทรงผู้เป็นตัวเป็นตนจ้าพิชาย ตายใหม่ๆก็ไปเกิดเป็นอสุรกายเด็ก ร, รมชอดปลาในอดีตชาติก่อนมาเกิดชาตินี้มาตามหล่งพุนจ่ ะ, ออะตายปุ๊บลูกก็มาเกิดนี่แล้วก็าตายอีกตายปุออ๊บเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยปัจจุบันพี่ชายสบายดีได้รับบุญที่ปฐพีเห็นแล้วก็ยิ่งทำให้มีสภาพดีขึ้นในทุกด้านจ้ะ การที่นำรูปคุณญาติเสียชีวิตแล้วไปให้ภูมิยานช่วยเหลือนั้นถ้าหายทนพิจารณาเองก็ไม่เป็นบาปโดยไปขอบารมีสมิติพึ่งอย่างส่งฝันให้ฝันมาอย่างี้ไม่เป็นบาปนะจ๊ะแต่ไม่ใช่ไปใช้ท่านดูแบบดูหมอนั่งทางในอะไรอย่างนี้น <Hey. S 1> ไอ้นี่อีกเรื่องหนึ่งตัวลูกกะมาแต่งงานกับสามีคนนี้ แล้ในดีตตัวลูกเคยไปหลงรักเขาในดีตชาติตัลูกเคยไปหลงก็รักเขาแล้วก็มาจะอธิษฐานว่าขอให้ได้เขามาเป็นสามีดังนั้นเมื่อมาเจอกันในชาตินี้ก็รักเขาทันทีที่แรกเจอแล้วก็ได้มาเป็นสามีภริยากัน ชาตินี้ก็หลงรักเขาชาตินี้ก็หลงรักเขา mm hmm. ส่วนที่ถูกเขานอกใจกนั้นก็เป็นพราะกรรมกามไรเจ้าชู้ส่วนตัวของตัวลูกเองทั้งชาติทีตัวลูกเกิดเป็นผู้ชายและตอนเกิดเป็นผู้หญิง mm hmm. ว่าทสมวันนี้ต้องมาเจอสามีที่นอกใจแบบนี้ mm hmm. เขาไม่ได้ถูกผู้หญิงคนอื่นทำคุณใส่จ้าแต่ลูกและสามีอยู่ร่วมชายคายเดียวกันไม่ได้ ต้องแยกบ้านกันอยู่จึงจะอยู่ยืดเพราะบุญของเขากับบุญของลูกนั้ไม่เท่ากันจริงทำให้ศรัทธาศีลทิฏฐิไม่เสมอกัน ก, กับสามีมักจะมีนิสัยมักมองข้ามสิ่งที่ดีๆที่อยู่ใกล้มักจะมองสิ่งดีๆที่อยู่กไกล อยู่ใกล้ตัวที่เดียวกับเวลาตัวลูกซึ่งเป็นคนดีดีอยู่ใกล้เขาเขากลับมักมองไม่เห็นคุณค่าในตัวลูกแต่พออยู่ไกลกันก็จะเห็นคุณค่าในตัวลูกจ้ะถ้าอยู่ใกล้ไม่เห็นค่านี่เห็นไ ม, มจ้าแปลกมีตาใช่เปล่า แต่หามีขนตาไม่จ้องไปหาขนตามาเสริมมักมองข้ามสิ่งที่ดีๆที่อยู่ใกล้มักจะมองสิ่งดีๆที่อยู่ไกลตัวเหมือนเราอยู่บนภูเขามองไม่เห็นเขาต้องถอยลงมาต้องจะเห็นตัวลูกเหมือนภูเขาแห่งคุณงามความดี ถ้าอยู่กลแล้วจึงจะมองเห็นคุณค่าตัวลูกเพิ่งพาสาเงินทองสา ม, มีไม่ได้เลยแถมต้องมาลำบากใช้นี่สินเพราะขานะั้นเป็นเพราะกาเนิดดีสมัยที่ตัวลูกเป็นผู้ชายก็มักไม่คอยจะดูแลสงเคราะห์บุตรภรรยาให้ดีปล่อยให้เขาดูแลตัวเองแถมชอบสร้างหนี้ให้ภรรยาด้วย เป็นภาพเดียว ก, กันกับภาพในอดีของลูกที่เคยทำดังนี้มาส่งผลเจ้าทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละปลูกถัวก็ต้องเป็นถัวปลูกงาก็ตั้งเป็ น, ลนปนลูกถัวจะเป็นงานได้ไหมไม่ได้ปลูกงาจะเป็นถัวได้ไหมไม่ได้ยกเวน้นคนตาถั <laughs> ถึงมองเห็นไปอย่างนั้นเมื่อมีเขาอยู่ตัวลูกกลับไม่ค่อยจะมีเงินทองคล่อง ต่างกับการที่ตัวลูกอยู่คนเดียวนั้นเพราะเขาทําทานมาน้อยจึงทําให้ฉุดตัวลูกลงอีกทั้งมีกรรมห้ามตัวลูกทําบุญด้วยทั้งในอดีตและปัจจุบันนำมาส่งผลปัจจุบันก็ห้ามอดีตก็ห้ามต่างกับตัวลูกมาอยู่ตามลําบังทานบารมีที่ลูกทําเองก็ได้ส่งผลเต็มที่ไม่มีใครมาฉุดหลัง ดังนั้นตัวลูกก็ต้องไปใใไกลวิตรใเขาได้สร้างคารรบรมีในปัจจุบันนี้เต็มที่เพื่อที่จะทําให้บุญส่งผลในชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองจ้าตัวลูกมีไรายได้คำมำมากแต่หมดประกการใช้นี่ไม่รู้จบเพราะกำเนาดตีตัวลูกก็ชอบวิธิสัยขอยืมเงินขอยืมเงินคนมาทําบุญแล้วไม่ใช้คืนขอลืมไปเลย บุญส่งผลก็มีรายได้มากแต่หมดไปอืด้วยเหตุต่างๆัและในชาติที่เป็นผู้ชายใจชูก็ไม่ชอบสงเคราะห์บุตรภรรยาแถมยังชอบก่อ น, นี่ให้บุตรภรรยาไปชดใช้แทนชาตินี้ก็เลยไปเจอมื่อังนั้นบุญที่ทําก็ส่งผลให้มีอะไรได้ดีแต่วิบากกํามนั้นกล่าวก็มาส่งผลให้ต้องใช้หนี้ทั้งของสามีและของตอนเองเลยจ้ะ ปัจจุบันก็ยังต้องกูนี่ธนาคารไปรเดินทางไปต่างประเทศกับเพราะทําบารมียังไม่เต็มที่จึงตั้งกูนี่เขาอย่างนั้นเลยจ้า <Yeah. S 1> เมื่อตั้งใจจะไปต่างประเทศแล้วก็ให้ทําตามที่ตั้งใจไว้เถิดจ้าจะก็จะลืมจะอยู่ตรงไหนลูกก็ต้องหมั่นสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญและชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจ้าผ่านสี่ภาวนาอย่าให้ขาดถาหยุดใจได้ไปที่ไหนก็ได้ ว่าลูกชายคนเล็กเกิดฐานะทำบ้านกระเจ่าหลงนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการมาเกิดของลูกชายคนเล็กแต่เป็นเพราะบุญในตัวของตัวเองและของตัวลูกและสามีเป็นหลักจะไม่เกี่ยวกับลูกชายคนเล็กไม่ใช่ ว, ว่าไม่ดีล่ำไม่ดีแล้วก็ไปโทษปีโทษกรอง <c oughs> ลูกชายคนนี้เนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับตัวลูกและสามีเพราะมีบุญกรรมใกล้เคียงกัน หรือไม่ก็เคยเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกันมาก่อนจะอยา่างใดอย่างหนึ่งการที่ลูกชายมีหน้าตาเหมือนพ่ อ, องเขา <c oughs> ก็ถือว่าถูกต้องแล้วด <c oughs> ี <c oughs> กว่าหน้าตาไปเหมือนคนอื่นล <c oughs> <c oughs> ok <c oughs> ูกนี่มันยังไงู่เลยไม่ เป็นยังไงลูกจะเป็นคนยังไงนะเนี่ยก็ถูกต้องแล้วดีกว่าหน้าตาไปคนอื่นซึ่งก็จะทําให้เกิดเป็นปัญหาในครอบครัว <cer uer> แล้วการที่ใสลูกชายเหมือนพ่อก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรมันก็เป็นเรื่องธรรมดา <cer uer> นอกนัานก็เป็นเรื่องฟุ้งซ่านจ้ะลูกรูจก้จักไหมฟุ้งซ่าน <cer uer> เมื่อน้ำแป้งใส่กระดองพัลมพัดมันมันฟุ้งกระจายใจอยู่ดีๆเนี่ยเจอเรื่องไม่เป็นเรื่องทําให้ฟุ้งกระจายฟุ้งซ่านนะลูกฟุ้งซ่านที่โครตัวพ่อแล้วผานมาถึงลูกชายแล้วก็ปรุงแต่งเป็นตุเป็นตะไปเรื่อยเปื่อยใช่ฟุ้งซ่านจ้ะฟุ้งซ่านดีเก่งที่หนึ่งเลย <laughs> ลูกจะไม่หน้าเหมือนพ่อเนี่ยมันเป็นไม่ ไ, มได้หรอก <laughs> เออฟุ้งซ่านเก่งที่หนึ่งเลยให้ลูกหาธรรใจให้หยุดนิ่งหยุดใจได้ก็ไปที่ไหนก็ได้หยุดนิ่งให้ได้ทุกวันก็จะได้หาย <laughs> หายฟุ้งซ่าน <laughs> รวยแล้วเดี๋ยวจะหายฟุ้งเองอะลูก ไปรวยดีวยกว่ามัวพอนั่งฟุ้งอยู่อย่างนี้ลยตัวลูกสามีและลูกชายทั้งสอสร้างปรงมีกุมูขณะมาโดยเป็นกองสเสบียงประเภทบางทีกัสม่ำเสมอบางทีกัตามอารมณ์บางทีกัตามกําลังใะสามีกัมีสายบุญมากับหมู่คณะอยู่บ้างบางชาติกับเจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันส่วนตัวลูกเองมีผลการปฏิบัติธรรมในดวง ใ, ใสๆพอตัวรากกลับดูสิบุรีได้ใช่ อันนี้มาจากดุสิตนะ อ, อืมแต่จะกลับได้ไหมนี่แล้วแต่ตัวลูกแล้วนะเพราะว่าดุสิตเขาคอยอยู่แ ล, และแต่ลูกก็มาเกิดก็มาจากที่สว่างกันทั้งนั้นแหละบางคนก็สว่างมากเช่นตัวลูกบางคนก็สว่างไม่มากเช่นไม่ใช่ตัวลูกตัวลูกเคยพาลูกชายนะไปกลับกุบยายตอนสามขวบยายบอกฝากเลี้ยงไว้ก่อนนะนั้นน่ะ ก็หมายความว่าให้เลี้ยงดูอบรมให้เขาเป็นยอดนักสร้างบารมีที่ดีเจ้าลูกชายก็มีบุญบวชอยู่บ้างน่งคอยประครับประคองเขาให้ดีจ้ะอย่าเขาห่างวัดหรือห่างกระยานมิตรเปิดเติมขึ้นกายเขาบวชอย่างน้อยก็สักปันศาหนึ่งแต่จากนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงเขาเองแล้วเจ้าชาตินี้มาเจอกันรักให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแลติดฐานจิตตามเจวีรสิบุรีวงบุนพิเศษ เขตบรรัลลังมาโพลสัจจะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุนี่ก็เปเรื่องราวของเคสสัตว์ตีสั้นๆ ส, สำหรับคืนนี้